ถ้าจะเป็นละ ก, ก็เป็นละ ก, กันที่สาเหตุแห่งทุกข์เลยนะซึ่งก็คือตัวตนาอุปาทานนั่นเองการรู้ทุกเนี่ยนะก็คือรู้ขันห้านั่นเองนะเขาถึงบอกเนี้ว่าว่าดุยยอุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกนะอุปาทานขันทั้งห้านะหรือว่าตัวขันห่านี่แหละนะคือตัวทุกข์ไม่ว่าจะ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 พอไม่มีสติไม่เห็นความปวดความเมื่อยก็ไปปรุงเป็นว่าฉันเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยนะแล้วเมื่อเ ค, ความปวดความเมื่อยแล้วมันก็เกิดความอยากที่จะกำจัดไอ้ความปวดความเมื่อยนั่นออกไปแทนที่จะเห็นความอยากนั้นก็ไปปรุงว่าฉันเป็นผู้อยากตรงนี้ก็ปรุงอันนี้ปรุงก็เป็นเรื่องยืดยาวแต่ถ้าเรามีสติ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 สติจริงๆถึงเรียกเป็นอุบายเป็นกลวิธีในการสลายความสําคัญบรรายตัวตนที่สําคัญมากพรนะเจ้าได้ตรัสกับภัยะภัยะนี่ก็เป็นนอกบวชนอกาศาสนาที่หันมาหันมาศรัทธานในพระเจ้าก็มาขอให้พระเจ้าแสดงธรรมในขณะที่พระองค์กําลังบินธบัติที่แรกพระองค์ก็ไม่ปรารถนาจะแสดงธรรมกาลังบินธบาติอยู่แต่เช้าเลย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 นะสิ่งดีนี่ใครๆก็รู้อยู่แล้วมันน่ายึดนะแต่สิ่งที่ไม่ดีทําไมถึงไปยึดได้ก็เพราะหลงนั่นเอง mm hmm. เช่นไปยึดเอาความโกรธเป็นของเรานะแล้วความโกรธก็คือเวลาเจ็บปวยก็ขึ้นก็บอกว่าเนี่ยความปกรเป็นของเราความเจ็บเป็นของเรามันไม่ได้คิดขึ้นมานีแต่มันมันปรุงขึ้นมาในใจเลยแม้กระทั่งศัตรูนี่ก็ไปยึด เ, เป็นของเราทั้งที่มันไม่เห็นน่าจะยึดเลยความโกรธก็ไม่น่ายึด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 ผู้นั้นก็ถือว่าได้อยู่ใกล้เราตถาคตเพราะผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือการมีสตินี้ก็ถือว่ามีสติก็ดีรู้สึกตัวก็ดีหรือว่าสํัมมลมิรีย์ก็ดีอันนี้คืออันเดียวกันเพราะถ้ามีสติความรู้สึกตัวก็ตามมา้ความสัมมลมิรีย์คืออินทสียสังวะคือการที่รักษาใจให้เป็นปกติไม่ยินดีนลายในเมื่อตา